ขออนุญาตกล่าวํารมนัยนะครับในเอกสารหน้า22นะพูดถ้าสุตตะสูต ร, ตรในธรรมะหมวด6เนะีนะ่ยที่กล่าวไปหมวดแรกก็คือธรรมะที่มีอุปการะมาก ธรรมะที่มีอุปการะมากก็คือสารานิยธรรมนะสารานิยธรรมก็คือทำเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันมี6อย่างด้วยกันซึ่งข้อแรกหมายถึงการตั้งกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อ2ก็เมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังข้อสก็เมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังส่วนข้อ4ี่ก็คือแบ่งปันลาบก็คือเฉลี่ยของที่ได้นะมีของอะไรก็รู้จักเฉลีย่ยแบ่งปันกันใช้ ข้อที่ห้าก็มีศีลเสมอกันข้อที่หก็มีทิฐิเสมอกันกกน่นะธรรมะทั้งหข้อเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีปรองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่นะถ้าหากว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปในหข้อความสมัครสมานสามัคคีก็ลดลงไปทีนี้พอมาถึงธรรมะอีกหมวดหนึ่งก็คือธรรมะที่ควรเจริญ ธรรมะทีควรเจริญหมายถึงอนุสติฐาน6เนี่ยนะนะคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติแล้วก็เทวนุสติอนุสติทั้ง6นี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญซึ่งครั้งก่อนได้เอามหานามสูตรมาอ่านให้ฟังเนี่ยนะนะซึ่งอนุสติ6เป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นอย่างมากถามว่าทำไมจึงควรเจริญ เพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเวลาไปคิดถึงเรื่องอ่ะนะถึงเรื่องราวที่ไม่ควรคิดไปคิดถึงบุคคลที่ไม่ควรคิดก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเจริญอะไรเนี่ยนะทีนี้ก็มาจัดสรรว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดนั่นเองอนุสตินี้แปลว่าการระลึกเนี่ยนะก็คือนึกบ่อยๆนะใครที่ควรนึกถึงควรระลึกถึงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเอง อันคนที่จะเจริญพุทธานุสติก็พุทธพุทธคุณก็ควรศึกษาให้มากกับพุทธประวัตินะศึกษาทั้งพุทธคุณและพุทธประวัติให้ดีก็จะมีอาหารของการระลึกให้มากนะถ้าหากว่าการระลึกถึงพุทธคุณนี้เอ่อโดยเฉพาะตั้งแต่พระองค์ปรารถนาเป็นต้นมาเนี่ยนะตั้งแต่พระทีปังกรเป็นต้นมาจนถึงมาดับขันปรินพานเนี่ยนะทั้งหมดนั้นก็มีอะไรให้คิดเยอะแยะไปหมดเลย ให้ระลึกเนี่ยนะเว้น้อยแต่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นซะก่อนแล้วก็หลังจากปรินิพานธรรมะก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าทำเผยแพร่ไปกระจายไปขนาดไหนก็ถือว่าพระผู้มีพระภาคก็กระจายไปขนาดนั้นนั่นแหละนั้นถ้าทำคําสอนก็ควรระลึกติดตามเป็นอันดับต่อมาส่วนพระสงฆ์ทั้งหลายก็คือหมู่ชนที่ปฏิบัติตามคําสอนก็เป็นบุคคลที่เราควรระลึกถึงเนี่ยนะ โดยเฉพาะภะษาริบุตรเป็นต้นคือถ้าเราจะละลึกเพื่อให้เกิดศรัทธาควรเลือกละลึกถึงพระสงฆ์ที่ที่ที่านมีคุณธรรมที่มั่นคงอย่างแท้จริงเช่นเอาจริยาคุณของภาษาริบุตรมาละลึกของพระโมกขาลาะนพ ะ, าพะพระอนุรพระมหากัสปะพระอนนเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าอาสีติมหาสาวกมาละลึกก็ได้ถ้าจะเจริญสังขารุสติให้ดีก็อ่านเถรคาถา กับเทรีคถาให้มากก็สามารถที่จะเจริญสังขานุสติได้เนี่ยนะซึ่งพระอริยะเหล่านั้นเป็นพระอริยะชั้นมาตรฐานเนี่ยนะที่รองรับศรัทธาเราได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะไม่ร่ว ง, ง่ายง่ายเพราะท่านมีคุณที่มั่นคงส่วนต่อไปก็คือศีลานุสติสำหรับบุคคลที่มีประโยคดีเนี่ยนะกายประโยค่วาวจีประโยคมาดีก็ระ ล, ลึกถึง ประโยชนค่าสมบัติที่ตัวเองได้เคยกระทามาที่ไม่เสียหายบกพร่องเลยไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเนี่ยนะนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามละลึกไปส่วนจาคานุสติก็ระลึกถึงการเสียสละที่เราเคยทําไปเคยให้อะไรไปบ้างล่ะเคยบริจาคอะไรไปบ้างก็ระลึกถึงน้ําใจที่เราเสียสละออกไปเนี่ยนะนะคนที่ทํากุศลมานานมาบ่อยก็อันนี้ระลึกได้ง่ายนะอย่าง ผู้ที่มีอัธยาศาัยชอบใส่บาทมันก็พอนึกถึงถ้าเวลาเช้าเราก็ใส่บาทอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจ า, ารคานุสติก็ได้บางคนถ้าชอบเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะเออมื้อกลางวันทุกวันเราได้เลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ถ้าตอนเย็นเราได้ให้ทานอย่างโน้นให้ทานอย่างนี้นะคุณหมอวรรลพบก็สบายเลยนะนึกถึงบริจาคเลือดบริจาค น, น้นบริจาคนี้ก็ได้ทั้งหลายเรื่องแล้วนะผู้การก็นึกได้เป็นถนนเป็นสายสายเลยนะ สายนั่นไปบริจาคที่นั่นสายนี้ไปบริจาคสิ่งนี่อย่างเงี้ยนะให้ชีวิตเป็นทานบ้างธรรมทานบ้างให้อมิสทานบ้างก็ก็ระลึกไปได้ตั้งเยอะแยะและส่วนระลึกถึงคุณของเทวดาเนี่ยนะจริงๆแล้วข้อหเป็นเป็นไม้บรรทัดสําหรับวัดนะว่าหนึ่งถึงห้าข้อเนี่ยดีจริงหรือเปล่าก็เอาข้อข้อหเป็นเครื่องวัดคือเอาคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วมาเป็นเครื่องวัดเช่นเทวดาเขาแน่จริงนะเขาจึงได้เกิดเป็นเทวดา เพราะเขามีคุณธรรมเช่นศรัทธาสินสุตะจาคะคปัญญาอา้าวเราก็มีอ่ะใช่ไหมเราก็มีคุณธรรมเหมือนกับเทวดาเหล่านั้นนั่นแหละคําว่าระลึกถึงเนี่ยไม่ใช่ระลึกเพื่ออ้อนวอนท่านนะคือระลึกว่าเทวดานี้เป็นพยานแห่งการเจริญกุศลเนี่ยนะคำว่าเทวดานี้ไม่จำเพาะแต่กา ม, มาวาจรเน้นถึงพรหมด้วยเนี่ยนะก็เอาคุณธรรมของเทวดามาเปรียบเทียบว่าเทวดาเขามีศรัทธานะ เช่นศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยเออเราก็มีอ่ะเทวดาทั้งหลายเขามีศีลเราก็มีเทวดาทั้งหลายเขามีการบริจาคเราก็มีเทวดาทั้งหลายเขามีสุตตะเราก็มีเทวดาทั้งหลายมีปัญญารู้เหตุเกิดความดับเราก็รู้เราก็มีอย่างเง้ยนะก็เจริญอย่างนี้ก็เรียกว่าเทวตานุสติคือระลึกเป็นเครื่องทําให้มั่นใจเนี่ยนะทำให้อากุศลมาระ ง, งับลงไปไม่ได้ระลึกเพื่อให้เจริญมานะอะไรหรอกนั่นเอง ที น, นี้มาดูธรรมะที่ควรกําหนดรู้บ้างเนี่ยนะประิญญาธรรมเนี่ยนะธรรมะที่ควรกำหนดรู้คืออายตนะภายในหกอายตนะภายในหก็คือจักขวายตนะอายตนะคือตานะีอายตนะคือหูวอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายอายตนะคือใจธรรมะหกอย่างเหล่านี้ที่ควรกําหนดรู้เนี่ยนะ ถามว่ากำหนดรู้เป็นยังไงเนี่ยนะอายตนะทั้งทั้ง6เนี่ยนะถ้าอย่างในปัญหาที่เรียกว่ากุมารปัญหาเนี่ยนะอะไรชื่อว่า6ก็อายตนะภายใน6ใช่หมั้ยนะหรือว่าอุเทศ6ไวยกรณ์6ก็คืออายตนะภายใน6อีกเหมือนกันในในทศกัณนิบาทนะอนะเรียกว่าไวยกรณ์อ่นะ ปัญหาหนึ่งวยญญาณหนึ่งนะปัญหาอุเทศสองวยญญาณสองอ่ะนะในมันก็จะพูดธรรมะหมวดหกในเหมือนกันอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมะหกพิกษุเมเื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบด้วยญาญย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในทิฏฐธรรมนั่นนะคือถ้ารอบรู้ในสิ่งนี้จริงอ่ะนะพ้นทุกได้ในชาตินี้นี่แหละไม่ต้อง ไม่ต้องไปรอชาติที่ไหนแล้ธรรมะมวลหนั้นก็คืออายตนะภายใน6เนี่ยนะอายตนะภายใน6นี้เป็นธรรมะที่ควรรอบรู้ให้ให้เป็นอย่างดีถามว่ารู้ให้มันเป็นอะไรอายตนะภายใน6กเนี่ย น, นะเธอปกติแล้วการการพิจารณาธรรมะนะที่ไม่ว่าจะเป็นขันอายตนะธาต อินทรีย์สัจะอะไรก็ตามที่ที่เป็นกลุ่มทุกขสัตย์อย่างไรเสียต้องพิจารณาให้เป็นอนิจจัเนี่ยนะทุกขังแลวก็อนัตตาเนี่ยนะก็อย่างไรเสียนะแม้กระทั่งโลก18ที่เราเคยได้ยินนะโลก 1, โลก 2, โลก 3, โลก 4, โลก 5, โลก 6, โลก 7, โลก 8, โลก 9, โลก 10, โลก 12, โลก18เนี่ยนะ โลกทั้งหมดก็ให้มาพิจารณาเป็นพวกนี้อีกนั่นแหละเหนไะถ้าลองย้อนเรื่องโลกนะโลกหนึ่งคืออะไร ม, มาไงลกหนึ่งขันหนะนอาหารสถิติกานะสัพเพสาตาอาหารถิติกาสัตว์ทั้งปวงดารงอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าแปลโดยอัฏฐแปลว่าสังขารทุกชนิดดารงอยู่ด้วยปัจจัยเนีย่ยนะถ้าถ้าแปลแปลโดย อัฏถะนะถ้าแปลเอาพยัญชนะว่าสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารนะแต่ถ้าแปลโดยอัฏถะมุ่งความหมายเลยไม่เพ่งพยัญชนะก็คือสังขารทุกชนิดดารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยเนี่ยนะสังขารดํารงอยู่ได้ด้วยปัจจัยนะข้อ2นามรูปข้อ 3, เวทนา3ข้อ 4, อาหารสี่ ข้อห้าอุปาทานขันห้าข้อหกแหะอายตนะภายในหกข้อเจ็ดก็คือวิญญาณทิติเจ็ดข้อแปดก็โลกธรรมข้อเก้าสัตววัฏข้อสิบก็อายตนะ สิบสองก็อายตานะเอกเหมือนกันสิบปดถ้าส8ปเนี่ยนะก็เรียกว่าทั้งหมดนี้เรียกว่าโลกคำว่าโลกนี่แปลว่าถ้าใช้คำว่าโลกนะเน้นขายอะไรรู้ไห ม, ามอาจารย์กีสอนโลกะโลกะถ้าเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยก็เท่ากับอะไร อันนี้จังคือสรุปนะสิ่งทั้งหลายแตกทำลายหมดเลยเนี่ยนะท่ามองเต็มเต็มเลยนะคือมันจะเป็นอะไรก็ช่างอะมันแตกหมดอะคื อ, อาภาชนะดินเนี่ยนะจะเอามาปั้นเป็นอะไรที่มันมีมูลค่า ว, วิจิตพิสดารแค่ไหนก็ช่างเอะท้ายที่สุดมันก็มันก็ภาชนะดินวันยังค่้มนั่นแหละ เน้นอนิจจ์เนี่ยนะโลกะก็ปะปะนี่เป็นอุปสรรคคือมาทําให้มันดูเด่นขึ้นของบางอย่างนะมันไม่ชัดถ้าใส่อุปสรรคไปแล้วมันจะชัดเนี่ยนะเหมือนกับคําว่ารู้นะเนี่มันรู้แค่ไหนอะ่ะพอใส่อุปสรรคเข้าไปมันจะชัดขึ้นมารู้แบบไหนโลกะโดยสาร ก, ก็แปลว่าแตกทําลายแต่ถ้าเอาปะเข้าไปเพิ่มอีกนะโอ้โหเจ๊งแน่มัน นะครัแตกทั่วหมดเลยไม่มีเหลือเลยจริงๆนะทั้งหมดเนี่ยนะทำธรรมะที่เรียกว่าโลกสิบแปดนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มาเน้นโลกหกโลกหกคืออายตนะภายในหกแต่ถ้าพูดโลกหกนะโลกสิบก็เท่ากับพูดแล้วโลกสิบสองก็เหมือนกันถ้าว่าโดยไตรลักษณ์แล้วอนิจจังอนิจจังนี้โดยมากอธิบายที่ไหน ความไม่เที่ยงก็คือเน้นที่เนี่ยสัพเพสตาหารถิติกาอันเนี้ยประกาศถึงความไม่เที่ยงที่ที่ชัดที่สุดทําไมอย่างนั้นคือพูดถึงว่าเราเราพูดถึงที่ที่ไหนที่ต้องอาศัยที่อื่นมาช่วยเหลือมากๆแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ค่อยมีความมั่นคงใช่ไหมอันนั้ เช่นว่าชีวิตของคนเนี่ยมันกินยามากเหลือเกินอย่างเงี้ยนะใช้แต่ยาวันละครึ่งกรอบเนี่ยนะในวันละกรอบก็ว่าไปเนี่ยนะถ้าหากว่ายาหนึ่งตัวมันขาดไปเนี่ยประกาศถึงอะไรกว่นี้เพราะฉะนั้นถ้าอาศัยปัจจัยเท่าไหร่แสดงว่ามันไม่มีความมั่นคงเลยเนี่ยนะเรียกว่าเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ประกาศถึงความเป็นอนิจจังของสิ่งนั้นนสังขารเป็นลักษณะนั้นสังขารทุกชนิดดํารงอยู่ได้ด้วย ปั จ, จัยหมดเลยเมื่อดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจัยแล้วจะเอาความมั่นคงของอันนั้นมาแต่ไหนเนี่ยนะเพราะสังขารเป็นอย่างนั้นก็เท่าประกาศอันนี้จังแต่ถ้าแสดงโดยนามรูปล่ะถ้านามรูปนั้นทั่วไปนี้ก็คือแสดงอนัตตาเนี่ยนะมันไม่ใช่อัตตาเนี่ยนะคือไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครอยู่ในนั้นเลยนะไม่ใช่อัตตาแบบนั้นเถอะ มันก็เป็นอนตัตนตาปฏิเสธอัตตาถ้าโดยเวทนาสามประกาศทุกพ่อะอะไรพ่อองค์พระ อ, องค์ให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกเห็นทุกเหมือนกับลูกศรเห็นอัตุขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมถ้าอาหารสี่ก็อยู่ในกลุ่มข้อหนึ่งเนไนะเป็นธรรมะกลุ่มเดียวกันคือเอ่อ สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารอาหาร4นี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่เกิดมาแล้วหรือสงเคราะห์สังขารทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะดำรงอยู่ได้ด้วยปัจจนะัยนี้ถ้าอุปาทานขัน5ล่ะ อ, อุปาทานขัน5พิจารณาความเกิดกับความดับเนี่ยนะเกิดด้วยอาการ25ดับด้วยอาการ 25่สิบห้าังการแสดงอุปาทานขัน5เน้นที่พิจารณาความเกิดความดับเนี่ยนะเนี่ยน ะ, ะถ้าทั้งเกิดทั้งดับนั้นคือถ้าโดย25แบบนี้นะเท่ากับไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะถ้าอย่างเี้ยประกาศโดยไตรลักษณ์หมดเลยทีนี้ในในบรรดาการเกิดนะสมมุติอายกรูปมาหนึ่งอย่างรูปจะเกิดเพราะอะไรเกิดเนี่ยนะ อนนะตัวรูปรกบรูปรูปตัวนี้หมายถึงอะไรเลือกเต็มๆนะหมายถึงรูป28ดรูปอันนี้ที่เกิดได้เพราะอะไรเกิดอวิชชาเกิดเนีย่ยนะสองอะไรตันหาเกิดสมกรรมสี่อาหารเนีย่ยนะตัวรูปเนี่ยคือตัวนิพพติละ เนี่ยนะก็เท่ากับ5้ใช่หมหนึ่เพราะวิชาเกิด2เพราะตัณหาเกิด3เพราะกรรมเกิด4เพราะอาหารเกิด5้าเนปัติลักษณะเนี่ยนะก็คือตัวรูปนั่นเองที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเนปัติลักษณะก็ว่าไปโดยอัตถานะหรือสันตติหรือขณะก็ว่าไปแต่ตรงนี้เน้นที่สัน ต, ติเนี่ยนะก็แต่ว่าโดยที่สุด ดีกาท่านก็ บ, บอกว่าถึงขณะด้วยนะแต่คือหมายคําว่าขณะควรรู้แต่ต้องรู้ทุกขณะไหมคือโดยขณะเนี้ยควรรู้แต่ว่าต้องรู้ทุกขณะไหมไม่ใช่เห็นไหมทันคนที่รู้สันตตินะถ้ามันหมดสัน ต, ติก็แสดงว่าไอ้ส่วนที่มันขาดมันมีอยู่แล้วเห็นไห ของอีก ส, อสิ่งหนึ่งเขาก็ ค, คือคือคือก็อย่างนั้นอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าหนึ่งสิ่งนะหนึ่งสิ่งที่ประกอบไปด้วยปปอุปา ท, ทิฏฐิคือคือถ้าถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เป็นแบบนี้นะอาจจะรู้อุ ป, ปาทัศทางนี้แล้วมารู้พังคะที่นี่ปปเนี่ยน ะ, ปปะ ก, ก็ก็คงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าถ้าแบบนี้เลยนะก็โอโมีบุญมากนะ นนะก็พระพุทธเจ้าไปก็ที่ว่าไปว่าเป็นคนมีบุญมากไงแต่ว่าไอความถึงอัตทานะก็เอาเกิดเอาตายใช่ไหมก็ว่าโดยขณะเอกเหมือนกันนนะก็ขณะมาสับขณะปฏิสนธิมาไหมแล้วก็จุติก็ขณะที่พังไปก็ขณะมาจับเหมือนกันสัน ต, ติก็สมุทฐานนั้นๆั้นอ่ะนะทารูปก็สมุทฐานนั้นตอนที่มันเกิดแล้วก็ขาดช่วงออกไปถ้าเป็นขณะล่ะ ขนาก็ซึ่งมันละเอียดคือละเอียดขนาดไหนนี่ก็ยังไม่มีใครมาคํานวณอะไรที่มันชัดเจนอ่ะนะเขาบอกว่าไอ้ความเร็วอันนั้นเนี่ยถามว่าคํานวณได้ไหมได้ก็บอกว่าชั่วนหนึ่งลับนิ้วมือนะวิบเดียวเนี่ยนระับนิ้วมือเนี่ยจิตเกิดดับประมาณแสนโกดแสนโกดขนาดคือโกดหนึ่งมันก็ตัวเลขเลขศูนย์เจ็ดตัวนะเรียกว่าโกด ถ้าแสนโกดอะเลขศูนย์เท่าไหร่ก็ว่าไปทีนี้หารหารอะไรหารสิบเจ็ดนี่ยนะแสนโกดคือหมายความว่าจิตเกิดดับสิบเจ็ดรูปเกิดดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดให้มันเวียนหัวอะไรหรอกแล้ว เ, เราก็ไม่ได้ไปคิดจะไปว่าเอ๊ะล้อเครื่องบินมันหมุนเร็วขนาดไหนใช่ไหม ใบพัดเครื่องบินมันควรจะหมุนเร็วแค่ไหนเราไม่ต้องไปคิดขนาดนั้นใช่ไหมก็ยังไม่พบว่าพระองค์ให้ไปคิดอะไรที่มันลึกซึ้งละเอียดขนาดนั้นอะไระทีนี้ในอวิชาตันหาอุปา อ, อาวิชาตันหากรรมอาหารเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าโดยอะไรโดยปัจจัยเนี่ยนะท่าสัน ต, ติอันนอัฐาสันติอันนี้ทั้งหมดเรียกว่าโดยขณะ ออาแล้วเอามาพูดอย่างนี้มันเกี่ยวอะไรกับไตรลักษ์ล่ะเกี่ยวไหมคุณชูโอมเกี่ยวไหมเอนเนี่ยเกิดอย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดนะเพราะอาการห้ารูปจึงเกิดถ้าหมดอาการห้ารูปก็ดับแม้แวต่มันเกี่ยวอะไรกับนิจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวนะการเห็นโดยปัจจัยเรียกว่าเห็นอนัตตลักษณะนี่คืออนัตตลักษณะผู้ที่เห็นอันนี้ ผู้ที่เห็นอันนี้คือเห็นอ น, นิจจาลักษณะกับทุกขลักษณะมันก็ถ้าก็เห็นไตรลักษณ์เหมือนกันเนี่ยนะรู้เกิดรู้ดับอันที่จริงแล้วก็คือรู้ไตรลักษณ์ดีๆนี่เองเนี่ยนะแต่ถ้าใครบอกว่ารู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาโดยที่ไม่รู้เหตุเกิดโดยปัจจัยก็ไม่ได้ชื่อว่ารู้ไตรลักษณ์ที่ที่ถูกต้องในที่นี้เนี่ยนะ คือพอรู้แบบไม่เที่ยงถ้วยโถโอชามทั่วไปมันแตกไม่เที่ยงถ้าคิดรู้แต่แค่นั้นมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะบางก็รู้เหตุเกิดก็รู้ความดับก็เรียกว่ารู้ไตรลักษณ์เหมือนกันเนี่ยนะแต่ถ้าว่าโดยสัจจะนิดหนึ่งก่อนว่าถ้ารู้โดยปัจจัยเป็นสมุทยัทยสัจเนี่ยนะถ้ารู้ตัวตัวรูปเท่ากับรู้ทุกขสัจเนี่ยนะ ทีนี้พอรู้ทั้งสองเนี่ยนะกิดต่อไปควรทำยังไงก็ควรละปัจจัยที่ที่เป็นอวิชชาตันหาใช่ไหมควรละปัจจัยและอันนี้แหละควรตัดฉันทราคะเนี่ยนะควรเข้าไปเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อที่จะจัดกำจัดฉันทราคะในอุปาทานขันห้าเหล่านั้น อันนี้พูดถึงอุปาทานขันธ์ห้านะทีนี้ถ้าอายตนาภายในหกล่ะเน้นขยายอะไรเงี้นนะจำพินิดว่าไงนะอายตนาภายในหกมันก่อนได้ยินพูดอยู่มันก่อนยังบอกว่าเรือนเรียกว่าอะไรบ้านร้างมันก็อย่างนี้แหละมันซ่อมบ่อยมันกันเถอะมันก่อนยังพูดอยู่เลยนั่นนะคืออายตนาภายในหกเหมือนกับ เรือนว่างเนไหมถ้าใช้ให้ตรงคำภาษาไทยเราก็บ้านร้างดีๆนี่เลยหนไหคือถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนะถ้าบอกว่าร่างกายเนี่ยร่างกายจะว่ายเต็มก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าแบบแบบเป็นสมัยก่อนนั้นไม่อยากเชื่อนะว่ามันจะเป็นบ้านร้างอ่ะนะที่ข้างในนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคือมันเห็นชัดอ่ะนะของมาไปนอนกลิ้งที่ไอ้ที่เขาฉายเอ็กซเรย์นะ กลิงไปกลิงมาก็คว่ำบั้งหงายบ้างอ่ะนะก็ออกรูปมาดูแล้วมีโครงกระดูกใช่ไหมก็มีกระเพาะกลืนแป้งเข้าไปมันก็มีภาพกระเพาะภาพอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยมันก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะนะมันไม่มีแมลงแบบตัวใหญ่ๆไปวิ่งอยู่ในนั้นอะไรเลยนะมันก็เห็นถึงว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆแต่ร่างกายมีไหมมีแต่มันไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะนะว่ดูได้ดูตั้งแต่ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่สมองไล่มาจนถึงเล็บเท้าอ่ะนะ ไล่ได้หมดเลยแล้วก็ตรวจเช็คได้หมดด้วยว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยนะทานถ้าถึกสมัยนี้เนี่ยเห็นถึงความเป็นของเรือนว่างเนี่ยมากแต่ทีนี้คนโบราณกับคนสมัยนี้มีความคิดที่แตกต่างกันคือมีพื้นฐานอยู่เหมือนกันว่ามันเรือนว่างทั้งคู่แต่สมัยใหม่เขาคิดว่าเขาจะซ่อมมันได้ยังไงเจ้ไหม ครัคิดอย่างนั้นนะจะซ่อมมันได้ยังไงเอออันนี้มันร้างแล้วนะมันมันผุเลยนะมันเปื่อยแล้วเอเราจะซ่อมมันขึ้นได้ยังไงในส่วนต่างๆของบ้านร้างนั้นๆนะะแต่เป็นของสมัยก่อนนะเขายังไงทํำยังไงเขาจะตัดเยื่อใยในพวกนี้ได้สักทีหนึ่งก็ก็เรียกว่าจุดประสงค์คนละอย่างกันถ้าอย่างคนสมัยนี้นะมีอัตยาสายตั้งเพื่อที่จะ จะตัดชันทราคาสะสัอย่างเดียวนะขอให้มีอัธยาศาัยอันนั้นอันเดียวมีเครื่องมือให้ตรวจสอบเต็มไปหมดว่ามันไม่มีอะไรจริงๆในนั้นเนี่ยนะอนัตตาสุญญาตาแล้วก็กรรมสกตาก็มีข้อมูลให้เปรียบเทียบอะไรตั้งเยอะแยะไปหมดเลยก็พร้อมที่จะเห็นะนะแต่ว่ามันขาดศรัทธาอายตนะทั้ง6กเนี่ยนะมันมันก็เป็นบ้านร้างถ้าว่าโดยวิชาทางเราตาก็มีกี่รูป อันน่ะเรียกรวมเต็มๆก็ห4ิบสี่รูปโหห้าสิบสี่รูปจมกูกห้าสิบสี่รูปเลนมีห้าสิบสี่รูปกายส่วนทั่วๆไป4ี่สี่รูปในที่หัวใจเราก็ถือว่ามีห้าสิบสี่รูปเพราะมีหัตยาทศกะเนี่ยนะตรงนี้จกักรูเนี่ยนะที่ตามีห้าิบสี่รูปประกอบไปด้วย จากูทะศกะ10กายะทะศกะ10ภาวะทะศกศิบอาหาร8ปเนี่ยนะอุตโตแจิตจิตตชรูปนะจิตตชรูป8ก็54หูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันต่างกันที่ว่าทะศกแรกที่ต่างเท่านั้นเองเนี่ยนะถ้าเป็นโซตาก็เป็น โสตท ส, สกะนคานทัศกะชิวหาทัศกะส่วนหัทยะอันนี้เป็นหัทยะทัศกะเข้ามาส่วนอวัยวะทั่วๆไปอวัยวะทั่วๆ ว, วไปก็มี44รูปเนี่ยนะรูปคกอตัดเฉพาะไอ้จักขุทัศกะโสตค า, านะชิวหาหาัตยะออกไปอ่ะนะเพราะส่วนที่เหลือทั่วๆไปไม่มี ไม่มีรูปเหล่านี้เท่านั้นเองเห็นมเพราะฉทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นเรือนว่างอย่างอย่างบริบูรณ์อยู่แล้วนะเพราะว่าพอค้นคว้าดูแล้วตรวจสอบดูแล้วมันมันไม่มีอะไรทีนี้ถ้าเห็นว่าเป็นของว่างมันจะเป็นวิปัสสนากลุ่มไหนเห็นไหมว่างก็คือกลุ่มอนัตตาเห็นไหมก็มาจากคําว่าว่างหมายถึงสุญญตา ถ้าสุญญาตาเนี่ยนะก็คือสุญยะหมายถึงตาก็หมายถึงความว่างสภาวะที่มันว่างมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นหมอนกันะแต่ไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีมีแต่ไม่ใช่ใครว่างจากอะไรบ้างความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความว่างจากอัตตาถ้าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายว่างจากความงามเนี่ยนะ มันไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในนี้อย่างแท้จริงจึงเรียกว่ามันว่างแต่นี้ปกติถ้ามันว่างเฉยๆมันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าอันตรายอะไรมากนักแต่ว่าไฟมันลามบ่อยอสิไอ้บ้านว่างอันนี้เนะเรือนว่างอันเนี้ยหญ้ามันคลุมมากปรับไฟปางก็เลยเข้าตลอดเลยเพราะฉะนั้นเรือนว่างอันนี้เป็นที่อาศัยของโจรอย่างดีมาปล้นเนี่ยนะพอได้รับรูป รูปารมเกิดขึ้นเนี่ยนะนะอาศัยเรือนว่างอันนี้โจรก็ปล้นกุศลไปหมดกเกลี้ยงเลยเห็นไหมเหลือแต่โลภโทสะและก็โมหะพอมีหูเรือนว่างคือหูโจรคือเสียงอะมาปล้นกุศลไปหมดพอเรือนว่างคือจมูกได้โจรคือกลิ่นก็มาปล้นเอากุศลไปหมดเลยเรือนว่างคือลิ้นโจรคือรถเนี่ยนะนะ กลางวันนี้ใครปรเเัจเจกบ้างัอโอ้โหหมดตัวกันเลยนะก็เว้นไว้แต่คนสนทนาธรรมอยู่นะและทางกายล่ะลาปวดเมื่อยร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเย็นเพราะฉะนั้นไอ้พวกอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะทวารกายก็ปล้นเอากุศลไปหมดเลยคือทางธรรมะเนี่ยการที่กุศลจิตไม่เกิดอากุศลจิตเกิดถือเป็นความเสียหายในในในในทางธรรมะนะ ถ้าถ้าแบบการค้าข้างนอกก็บอกว่าถ้าเสียเงินเนี่ยนะสมมถ้าเสียสิบาทก็ถือว่าเสียหายไปสิบบาทใช่ไหมถ้าเสียร้อยก็ถือว่าเสียร้อยถ้าเสียพันก็หมดหมดหม ด, หม ด, ห, มดหมดไปทีนี้ของเราอ่ะศรัทธาวิริยะสติสมาธิถ้ามันไม่เกิดเราจะว่าไม่เสียได้ยังไงเพียงแต่เราไม่คิดว่ามันเสียเท่านั้นเองเห็นไหมพอไม่คิดว่าเสียเราก็บอกว่าเออใช่อารมณ์มันน่าเกี่ยวข้องสีก็ดีเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมแล้วก็คิดไปเรื่อยนะเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราเสีย รัพ์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรอันที่ปล้นพันฑะคือกุศลนี่ก็ถูกปล้นไปหมดเลยทีนี้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะที่เรียกว่าอายตนะเพราะมันเป็นเครื่องต่อเนี่ยนะหรืออย่างหนึ่งนะเป็นที่ประชุมก็ได้นะที่ประชุม ที่ต่อบ่อเกิดเนี่ยนะบ่อเกิดทิ่นเกิดและอะไรทาสังสารวัตให้ยืดยาวเนี่ยนะก็คิดดูนะเวลาเห็นอ้าวต่อวัตตะอีกแล้วได้ยินอ้าวมาต่อวัตะจะูกรูกลิ่นก็เพื่อต่อวัตตะเขาบอกว่าอารมณ์ที่ไม่ต่อวัตะมีอยู่อารมณ์เดียวอารมณ์นั้นคือนิพพานอ่ะที่ไม่ต่อวัตตะเลย เมื่อใครมีอารมณ์คือนิพพานนะวัตะมันจะหยุดแต่ถ้ามีอารมณ์ธรรมดาทั่วไปนะรูปเสียงกลิ่นรสทั่วไปเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่มีเนวสัญญาณาสัญญาญตนะเป็นอารมณ์ก็ต่อไปสู่วัตะอยู่ดีต่อไปหมดเลยเว้นแต่มีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นอายตนะพวกเนี้ยมันเป็นที่เป็นเหมือนเรือนว่างแต่มันก็เป็นที่ต่อของสังสารทุกข์ที่ที่ยืดยาวแล้วก็ไม่มีมีจบมีสิ้นนะ ก็มันก็น่าแปลกนะาถ้าไม่ได้เห็นก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมสัตว์ปกตินะสัตว์ทั่วไปนะถ้าไม่ได้ต่อมันก็ทุกข์นะไม่ได้ฟังก็ทุกข์อีกไม่ได้กลิ่นก็ทุกข์ไม่รู้รสก็ทุกข์เนี่ยนะเพราะยอยากต่อมากนะเพราะไม่เห็นโทษของการการต่อ